มาเจริญกุศลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วก็ใค่ควรอยู่ก็คือว่าเรื่องคิดถึงนึกถึงพระบรารมีของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาตรงนี้สำคัญมากเลยที่จะเป็นแรงในการที่จะทำให้เราได้ได้ความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและจะได้เป็นปัจจัยต่อการเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไป เ, เวลาสาธยายพระธรรมแต่ละบทละบทเนี่ยให้สังเกตดูไหมว่าในบทสวดมนต์ที่เราสวดกันเนี่ยทุกบททุกอัดและพยัญชนะที่เราสวดเนี่ยเป็นเรื่อง ท, องที่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเพราะพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นของลึกซึ้งมากนะเป็นของลึกซึ้งอย่างเช่นที่บอกพระธรรมมีความงามในเบื้องต้นทำกลางเลยที่สุดเนี่ย แล้วก็เอ๊ะไม่รู้อะไรี่เป็นความงามในเบื้องต้นทำกลางอทิ่สุดดงนั้นก็ต้องพยายามทําความเข้าใจไม่ไม่อาจจะได้เพียงสาระเบื้องต้นแต่ว่านั่นแหละสืบค้นไปแล้วจะทําให้เรามีความเข้าใจชัดเจนขึ้นฉะนั้นเพราะเอ่ยถึงพระ น, นามของพุทธเจ้าเนี่ยทําไมเราต้องพยายามนอบน้อมในการที่จะระลึกถึงอยู่ตลอดเวลารู้ไหมเพราะว่า เหตุผลก็คือว่าเราเนี่ยใช้กายใช้วาจาของเราเนี่ยโดยเฉพาะใจของเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นมาเยอะในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้มือไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเนี่ยใช้วาจาไปพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบแล้วเพ้อเจอ้อมาก็ใช่ไหมล่ะใจของเราก็ไปคิดในเรื่องของโลภโกรธหลงม า, มากเลยฉะนั้นพอจะมาฝืนจิตของเรามาน้อมถึงพระรัตนตรัยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถึงกันนั้นก็ต้องพยายามในการที่จะเพียรพยายามในการที่จะต้องไข้ควรให้ชัดก็ลองระลึกนะตั้งใจให้มั่นคงในการที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดูแล้วก็ลองฝึกนะในขณะที่เราสาธยายเนี่ยจิตใจเราจะมั่นคงไหมในขณะที่เราสวดสวดแต่ละบทไปในเราคิดถึงพระคุณของพุทธเจ้าได้ชัดไหมแล้วตอนนั้นมันได้แค่บทสวดไหมเนี่ย หรือมันมีความลึกซึ้งมากไว้กว่านั้นง่วงไหมใบายนี้ง่วงดีไหมอ้าวลองตั้งใจดูนะโมตัสสะพะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังมัสสัมพุทโเวจจารณสัมโนสุขโตโลกาวิโต อนุตโรปุริสธรรมสาราธิสัตว์ว่ามนุษสานังพุทธภาควาติองคได้พระสัมพุท สวิสุทธาสันดานตัดมูลกาเลสมันมีมทองมีมองมัวหนึ่งนายพระไทยทัน ก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบอผานผัวสุวาคนท่ากำจององได้ประกอบด้วย พระการุนาดังสะคอนโปรดหมู่ประชากนมาลาโอทาการดานชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชีสูงกาเซมสารชีทางพระนารีพันอันคงศพวิโยภัยความเบญจพิธาจัก สุจารัดเวมอใสายเห็นเหตุใกล้ใกล้ก็เจนจบประจักจริงตา ม, ามใจน้ำใจหยาบ สันดานบานแผงชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งทิ้งมาลบาบาบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อม สีราเกลบางคมคุณสามพุดทธาการุณยาภาปนันนิรันดอนสาธุสาธุสาธุ ที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยมีจุดคํหนึงเนี่ยที่บอกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสานชี้ทางพะนธุพานอันพ้นโศคลุยโยกภัยอันนี้หมายถึงอะไรคาว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์นี่คืออะไรอ่ะชี้ทางบรรเทาทุกข์นี่คือชี้อะไรอย่าง ชี้ทางบรนเทาทุกข์เนี่ยใครเป็นคนชี้ชี้สุกเกษมสาร <c oughs> คำว่าชี้ทางในที่นั้นเนี่ยเป็นชี้ทางอะไรเนี่ยชี้มัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมว่าปฏิปทาที่เครื่องดำเนินที่ไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยถ้าดำเนินไปว่ายกตัว อ, อย่างเช่น พระพุทธเจ้าชี้สัตว์ที่กำลังมืดบอดคนเหล่าอื่นเป็นผู้ที่เบียดเบียนกันไหมนในข้อนี้พระพุทธเจ้าชี้ให้เบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนเห็นไหมเนี่ยการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนีพระพุทธเจ้าชี้ทางบรรเทาโทษไหมสัตว์เหล่าอื่นนี่เป็นผู้มากด้วยปานาติบาตคือฆ่ากันประทุษร้ายกันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ชี้ว่าในข้อนี้ เราจาักเป็นผู้ไม่ไม่อะไรเออไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่ฆ่าคนเราอื่นรักทรัพย์เราจ ะ, ะเราจะลักไห ม, ไมคนเขาเราอื่นประพฤติผิดในกรมเราจาักไม่ไมคนเราอื่นพูดเท็จเราจะไม่ไมเห็นไห ม, ไมตรงนี้ให้สังเกตดูไมพระพุทธเจ้าจะชี้เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายออกจากอะไรไออกจากทางปฏิบัติหรือออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถาสัตว์ยังคิดเบียดเบียนกันอยู่สัตว์ยังคิดฆ่าสัตว์สิทธิดสัตว์ยังคิดรักซาประพฤติผิดในการพูดเทศส่อเสียดคําหยาบและเพื่อเจ้าสัตว์ทั้งหลายมากไปได้เห็นผิดใช่ไหมดํารทธิผิดมีวาจาผิดมีการงานผิดมีมีการกระทําผิดมีการงานผิดมีความเพียรที่ผิดมีสติที่ระลึกผิดมีสมาธิที่ตั้งมั่นผิดมียาหน้าที่ผิดมีการหลุดพ้นแบบผิดผิดสำคัญโดยตนเองหลุดพ้นเป็นต้นพระพจ้าก็ชี้ออก บอกว่ากลับมาเจริญสัมมาทิฏฐิสิมาเจริญสัมมาสังกปรสัมมาวาจสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมสัมมาสติสมาสมาธิสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติสิพระเจ้าก็จะชี้คนละมุมเลยไหมให้สัตว์ทั้งหลายที่กําลังหมกมุ่นไปในทางที่ผิดนั้นเข้าหาทางที่ถูกชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารอะไรเป็นสุขเกษมสารที่สุดที่พระเจ้าชี้คืออะไร เออพานิพานจะสําคัญพระนิพานของเรากับพานิพานของพานิพานของพระเจ้านี่ต้องมาต้องมาตรวจสอบไหมต้องตรวจสอบไหมว่านิพานที่เราคิดและเข้าใจนั้นจะตรงกับพานิพานของพระเจ้าหรือไม่บางครั้งอ่ะตรวจสอบไปตรวจสอบมานิพานของเรากับนิพานของพระเจ้าดีคนละที่กันไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาทําความเข้าใจกันให้ชัดใช่ไหมเรา บางครั้งนิพพานของเรากับ น, นิพพานของพระเจ้าเอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเหมือนคนบางคนก็บอกว่าบอกว่าฉันอยากจะไปนิพพานเหลือเกินเอ้าถ้า ง, งั้นก็ให้ว่าตามฉันนะ <c oughs> แล้วก็บอกว่า ด้วยผลของทานกุศลเขาก็เล่าวว่าถามด้วยผลของทานกุศลที่ข้าพเจ้าบํำเพ็ญมาศีลกุศลที่บํำเพ็ญมาและภาวนากุศลที่ขมักขเม่นในการเจริญอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เขาก็ทว่ากันตามขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงจได้พุดได้เกิดเถอดโอ้วกาพงษ์เลยบอกโอ้นิพพานของท่านรุนแรงนึกเกิด เ, เอาไหมเออเอ้อ เขาบอกไม่ได้ผลได้เกิดเนี่ยแล่แลาไหมเกิดมาให้มีลูกอีกเหรอเธอคนบางคนไปเข้าใจว่านิพพานคือต้องเกิดเกิดแล้วก็จะต้องมีอยู่ที่หนึ่งที่มีความสุขเป็นแดนสุขาวดีถามว่าการเข้าใจพระนิพพานอย่างนี้ถูกหรือผิดนิพพานใช้เป็นเมืองไหมอย่างเนี้ไปเข้าใจฉะนั้น กลัวเลือเกินถ้าจะไม่ได้ผุดได้เกิด <c oughs> ย้อนสรวยกลัวหรือว่าอจะกลัวจะได้ไม่ผุดได้เกิดหรเปล่า <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีอยู่แปดประการนะบอกดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ห่วงบุญห่วงกุศลแปดประการนำสุขมาให้ให้อารมณ์ที่เลิศดมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขห่วงบุญห่วงกุศลแปดประการเป็นไงดูกรพกษธทั้งหลายอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นจรณะ แม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หนึ่งนำสุขมาให้ให้อารมณ์มันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อปรินิพพานเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใไข้น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันสูงสุดเห็นไหมว่าอันนี้ประการแรกเลยการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาสนานี่เป็นห่วงบุญห่วงกุศลข้อแรก ฉะนั้นห่วงบุญห่วงกุศลข้อแรกเนี่ยเราจะละเลยได้หรือไม่ได้ประการต่อมาก็คือถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นชัดดูก่อนภิสูจนั้งหลายอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ถึงพระธรรมว่าเป็นจรณะว่าสว่าขาโตภักขวตาธโรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นนี้ก็เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สองอีกประการหนึ่งอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ถึงพระสงฆ์ ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นว่าเป็นสาสนาเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงนี้ก็เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สามประการที่สี่ภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทานอันบัณฑิตทั้งหลายพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเก่าคําว่าเป็นเชื้อสายเป็นเชื้อสายของใคร เป็นพืเชื้อสายของอริยะวงเป็นเชื้อสายของวงของภรร ย, ยะคือวงของพระพุทธเจ้าเป็นวงของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะเป็นเชื้อสายเนี่ยเป็นของเก่าที่ไม่ถูกทอดทิ้งไม่เคยถูกทอดทิ้ง mm hmm. ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยก็จะต้องมาบอกห่วงบุญห่วงกุศลก็คือทานห้าประการ น, นี้แหละ อันบัณฑิตไม่ทอดทิ้งและจักไม่ทอดทิ้งอันสมณพราหมู้เป็นวิวนญูชนไม่คัดค้านคนมีปัญญาไม่คัดท้านห่วงบุญห่วงกุศลห้าประการเป็นเไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละปานาธิบาตงดเว้นจากปานาธิบาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกงดเว้นจากปานาธิบาตชื่อว่าได้ความไม่มีภัยนะให้อะไรให้ความไม่มีภัย เข้าใจคําว่าให้ความไม่มีภัยไหมทําตนเป็นผู้ไม่มีภัยกับใครเนยและก็ความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตห์หาประมาณมิได้เราจะมาทานกันหรือยังว่าเราจะทําตนเป็นผู้มีเวรภัยไหมขั้นให้ความไม่มีภัย ความไม่วีเวณความไม่เบียดเบียนแกศาสหาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นพี่มีสว่วนเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นผู้ไม่มีภัยความเป็นผู้ไม่มีเวณความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูกนภิกษุทั้งหลายพิกษนี้เป็นทานประการที่หนึ่งเป็นมหาทานถ า, วานวศีกุศลเป็นทานไหม เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเก่าที่ไม่ถูกทอดทิ้งและไม่เคยถูกทอดทิ้งบัณฑิตไม่ทอดทิ้งด้วยและจากไม่ทอดทิ้งอันสำนนพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่คัดค้านดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่เท่าไหร่ต่อจากพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนประการที่เท่าไหร่ประการที่สี่ สรุปแล้วถ้าคนไม่ตั้งมั่นในสาสนาคมจะตั้งมั่นในมหาทานคือกุศลศีลได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ ไ, ด ไ, ดไม่ไ ด, ไได้ให้สังเกตดูนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าภิก ษ, ษุทั้งหลายอริยาสาวกที่งดเว้นจะปานนารีบาตชื่อว่าให้ความไม่มีภัยตลอดเวลาก็คือทําตนเองเป็นผู้ไม่มีภัยกับใครอะไรเป็นผู้อะไรคำว่าเวระพอดีคาว่าภัยก็ดีเป็นชื่อว่าอะไรอะ เช่นอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวนต่อใครๆหรือแก่ใครๆเลยคำว่าเวลานในที่นั้นเป็นเชื่อของปณิดิบาขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ไปฆ่าใครเลยใช่ไหม ขอให้เข้าไปเจ้าอย่าได้ไปฆ่าใครเลยและขอให้เข้าไปเจ้าอย่าได้ไปคิดเบียดเบียนใครเลยใครเคยคิดเบียดเบียนคนอื่นไหมคิดโกรธเนี่ยเคยไหมล่ะไม่พอใจอะ่ะเคยไม่เคยเนี่ยเขาเรียกเป็นผู้มีเวรมีภัยอย่างนี้เชื่อว่าให้ความปลอดภัยคนอื่นไหมให้ไม่ให้ฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ สร้างเหตุแห่งความมีภัยและสร้างเหตุแห่งความมีเวรไหมถ้าสมมุติเราไปกโกรธไปเกลียดไปคิดเบียดเบียนไปคิดประทุษร้ายไปคิดให้เขายิบัติแค่คิดอย่างนี้ชื่อว่าทําตนเป็นผู้มีเวรหรือยังมีหรือไม่มี ม, ม, มีแล้วมีคนขับรถนั่งนั่งนั่งไปมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าปว๊บในใจก็คิดว่าไปตา ย, ตา ย, ตายเสียไป อย่างนี้อย่างนี้ค so ิดเบียดเบียนเขาไาเคยคิดัหมไม่เคยเลยเด้โอ้โหทำไมใจดีขนาดนั้นเป็นไปจริงๆเอเห็นไหมถ้าตัวกุศลศีลจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อันนี้ใช่ปฏิบัติไหมเนี่ยการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะสังเกตได้จะข้อเท้จริงนะ ว่าชีวิตจริงเนี่ยว่าคุณบอกว่าคุณประกาศตนว่าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเหมือนคนคนหนึ่งก็าไปนั่งกรรมฐานอยู่ภาคหนึ่งแล้วเขบอกโ อ, โอตั้งแต่นั่งกรรมฐานมาความโกรธเขาไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> เขาก็แล้วก็บอกว่าไปบอกกับเพื่อนเอ๊ะตั้งแต่ตั้งแต่ฉันไปนั่งกรรมฐานมาเนี่ยเจดวันมาเนี่ยรู้สึกชัละความโกรธได้หมดเลยเป็นเพราะอะไรเนี่ย สงสัยฉันได้คุณธรรมแล้วมั้งได้ทํายังไงก็ไม่โกรธจริงๆเขาถ้างั้นไม่โกรธจริงๆเนี่ยเขามองเห็นอะไรเนี่ยรู้สึกใจก็โล่งหมดเลยเนี่ยไปไปมาเขาก็เลยเขียนทายคนว่าโกรธเพื่อนแล้วถ้าใครไปยืนดา่าเขาไม่โกรธจริงๆด้ยนั่งยิ้มเฉยเลยไอ้เพื่อนอีกคนนึงก็ไปก็ไปนั่งคุยคุยอยู่โกฟาก็ถามถามบอกเออ เขีย น, นอะไรไว้เนี่ยหมออ๋อทายคนอื่นมาโกรธตั้งแต่ไปปฏิบัติมาเจ็ดวันในความโกรธมันไม่ขึ้นมาเลยประมาณเนี้ยก็คุยไปสักพักหนึ่งพระพัาง ก, ก, ก็ถามไม่ได้เขียนอะไรไว้เนี่ยตัวครั้งที่สามแค่นั้นโอ้ว่าไม่รู้เรื่องไงเราเขียนที่ทายคนมาโกรธอันนี้โกรธได้ยังอ่าเรียบร้อยแล้ว <quela apartment> อย่างเงี้ยเรียบร้อยไหมนี <acquire> ่บ่งบอกถึงถึงบางทีบางทีพอ พอสมาธิตั้งนี้เดียวแค่นั้นเลยยังไม่รู้รากของความโกรธสมูธฐานของความโกรธเพราะไม่ได้รอบรู้ในอารมณ์ทุกอารมณ์เลยก็เรียบร้อยเลยอันนี้เป็นมหาฐานทำไมจึงเรียกว่ามหาทานการให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยชื่อว่าเป็นทานที่เลิศไหมคนแปลกใจว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตคนคนนั้นแล้วเราไปให้ได้ยังไง ใช่ไหมเนี่ยที่เรานั่งนั่งกันทุกคนเนี่ยที่มานั่งประชุมอบรมกันในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเราจะสามารถให้มหาทานข้อแรกซึ่งเป็นทานอันเลิศเป็นทานที่ประเสริฐเป็นทานที่บาลียะทั้งหลายเป็นของเก่าเป็นเชื้อสายอันเก่าที่มีมานานเป็นวงของพ่อพุทธเจ้าเป็นวงของบาลียะเจ้าเนี่ยเราจะสามารถทํามหาทานข้อนี้เกิดได้จริงไหมจริงไหมจริง ฉะนั้นลองคิดดูทีเราจะได้มหาบุญห่วงบุญที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเราสามารถให้ชีวิตเป็นฐานได้จริงๆใช่ไหมเล่าก็ลองคิดดูที่นว่าทุกชีวิตเนี่ยถามว่าเคารพสุขเกยียดทุกข์ไหมฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความพิสูจทั้งหลายอริยาสาวกงดเว้นจากปาติบาทยกเว้นจากปานาฏิบาคืองดเว้นจากจิตที่คิดจะฆ่า ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยงดเว้นจากจิตที่คิดจะโกรธสัตว์อื่นที่มีชีวิตงดเว้นจากจิตที่คิดเบียดเบียนและเมื่องดเว้นจากความโกรธในการที่คิดประทุษร้ายในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทุกๆชีวิตหนึ่งชีวิตชื่อว่าเป็นมหาทานแล้วนะที่เราให้ความปลอดภัย นั่นแหละชื่อว่าให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายและไม่พอนะยังเสริมคุณธรรมที่เป็นไปกับเมตตาให้แข็งแรงปกติเราจะหงุดหงิดกับสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเมื่อสัตว์ทั้งหลายทำไม่ถูกความความคิดของเราที่เราหวังไว้เช่นถ้าอามามาพูดแล้วไม่ถูกใจเนี่ยเราจะโกรธไหมโกรธไม่กรโกรธ ไอที่ไม่โกรธเพราะยังไม่ได้เหตุปัจจัยแล้วถ้ า, ามาพลิกอีกมุมหนึ่งแล้วพูดเนี่ยเชื่อไหมทุกคนจะโกรธและแทบอยากจะอยากจะเดินลงเดี๋ยวนี้ยังได้เลยใช่ไม่ใช่พอเอินเอามาพยายามตั้งใจไว้ว่าอาจจะอดมาจะไม่พูดคําแบบนั้นออกมาอาจจะพูดคําบางคําเนี่ยทุกคนเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ไปออกมาก็พูดเลยเรื่อยกระทุ่งเรื่อยกระทุ่งเรื่อยแต่ถามอยู่ไว้ไหม หน้าเข้าหน้าเข้าก็ยิ่งทั้งสีหน้าแล้วแววตาเรียบร้อยใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมว่านี่ให้อะไรให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรด้วยนะแล้วก็ไม่มีความความไม่ไม่เบียดเบียนแก่สัตว์อันหาประมาณไม่ได้คําว่าแก่สัตว์ตั้นหาประมาณไม่ได้แปลว่าเราจะเคยคิดไหมว่าเราเคยตั้งใจจริงๆไหม ได้ถามใจตัวเองจริงๆไหมว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยสัตว์ทั้งหลายในจั ก, กรวาลเราเลิกแล้วที่จะฆ่าเขาได้คิดจริงๆไหมพอสมาทานศีลปุ๊บแล้วก็สมาทานตอกย้ําไปเลยบอกว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจากไม่ฆ่าสัตว์จกไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งจั ก, กรวาล เราจะให้ชีวิตเป็นทานทั้งหมดเราจะทำมาหาทานอันนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้ภ a i s a ใน ห, หาประมาณไม่ได้แล้วก็ขอให้กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอยู่ด้วยอำนาจของกุศลชนกกรรมของตนเองจงหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของสัตว์เหล่านั้นให้มีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขตลอดการตลอดไปอย่าได้มีความเดือดร้อนใจเลย แล้วก็สทาทับลงไปว่าไม่ใช่เฉพาะที่จะคิดไม่ฆ่าเท่านั้นแม้คิดไม่เบียดเบียนด้วยจัะไม่คิดโกรธ ด, ด้วยและยังมีเมตตาให้สัตว์ทั้งหลายด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนด้วยใครเคยปรงใจแบบแท้จริงว่าเออคับตั้งแต่วันนี้เราจะตั้งใจจริงๆแบบเนี้ยที่จะทํากุศลสีให้เกิดจริงๆเคยคิดแบบนี้ไหมหรือยังยังเว้นอยู่ พอบอกมีคนคนหนึ่งนะพอบอกนี้ไปเสร็จปุ๊บก็บอกท่านอาจารย์ขอไว้คนหนึ่งได้ไหมถ mm hmm. ามมาเหมือนผมเกลียดอีกคนหนึ่งเกลียดชัดเจยคนนี้คนทั้งหมดผมยกเว้นให้ได้ไอคนนี้ผมยกไว้ได้ผมขอคิดเบียดเวียนหน่อยคนนี้อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าหาประมาณได้ไหมยังมีประมาณอยู่กุศลเนี่ยที่บอกว่า ความไม่เบียดเบียนแก่ศาตร์ันหาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนเห็นไหมคำว่าย่อมเป็นผู้มีส่วนนี้แปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าจะได้รับผลแห่งความไม่มีภัยแห่งความไม่มีเวรแห่งความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้น่าสนใจไหมล่ะ ว, ว่าทำไมชีวิตของเราทั้งหลายจึงมีคนเบียดเบียนเราอยู่จึงมีคนทั้งหลายลิศษทั้งหลายคิด ผูกเวรเราอยู่ยังมีสัตว์ทั้งหลายจึงโกรธเราอยู่แสดงว่ากรรมเหล่านี้เราเคยกระทามาใช่หรือไม่กระแสชีวิตของเราเมื่อสัตว์ทั้งหลายเห็นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงไม่พอใจฉะนั้นเราจะเจริญกุศลฤาษีมหาทานข้อนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้หาประมาณม่ได้ ถามว่าทั้งหมดเหล่าเนี้ยต้องมีความเข้าใจข้อที่หนึ่งคือพุท ธ, ธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอย่างดีไหมถ้าเห็นเจตนาศีลในตนยอมเคยเห็นเห็นตัวกุศลศีลในตนไหมอนสภาพของกุศลศีลที่มันเกิดขึ้นจริงๆในตนในขณะที่เห็นสภาพของเจตนาศีล คือเจตนาคือธรรมชาติที่กระตุนต้นเตือนชักนำตัวความไม่รบและความไม่โกรธและปัญญาทั้งหลายแล้วก็เป็นธรรมชาติที่กระตุนต้นเตือนสัมมาวาจาส ม, มากรรมันตสมมาชีวะอาจจะใช้ศัพท์นิดหนึงน่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกระตุนต้นเตือนความวาจาที่กล่าวดีเวลาจะกล่าวไม่ดีปุ๊บก็สามารถตัดรอน วาจาที่กล่าวไม่ดีได้เช่นเวลาคิดจะกล่าวไม่ดีก็ห้ามมีจิตประเภทหนึ่งมีความรู้สึกประเภทหนึ่งที่เขาไปยับยัง้งวาจาที่กล่าวชั่วได้แล้วก็หันมากล่าวดีถามเคยเห็นความรู้สึกในใจตนเองตอนนั้น้มีบ้างไหมเคยไหมเคยไหมเวลาจะพูดเท็จแล้วห้ามการพูดเท็จได้เวลาจะพูดส่อเสียดแล้วห้ามการพูดส่อเสียดได้ เวลาจะพูดเพ้อเจ้อก็มีสภาวะธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจห้ามความเพ้อเจ้อได้เวลาจะพูดคําหยาบก็มีสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มีความละอายชั่วกลัวบาปแล้วก็ห้ามความพูดคําหยาบห้ามการพูดคำหยาบเคยเกิดจริงไหมและ ส, สภาวะธรรมลักษณะอย่างนั้นเราเคยเอามา ล, ลึกไหมว่านั่นแหละคือตัวกุศลศีลที่มันมีในต้น ถ้าเห็นตัวกุศลศีลในตนชื่อว่าเห็นพระธรรมม